เนื่อเกิดเวทนามันก็เกิดขอมอยากเกิดทุกขเวทนาก็เกิดก ข, ววดขอมอยากให้ให้หายทุกขเกิดสุกขเวทนามันก็อยากให้ซุกอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปนี่ยเห็นว่า <c oughs> เวทนาเวทนาปัญยาปเป็นปัจจัยให้เกิดค่ออยากที่เกิดตัญหาขอมอยากมันมีขอมอยาบข้อห ย, ยากเกิดขึน้น มันก็ิดจดจอเพื่อเาอุปทานจดจออยากอยากให้ทุกข์หายไปเลยทุกข์ไม่สบายเกิดขึ้นอยากให้ทุกข์หายไปหรือว่าอยากได้อะไนรก็ต้องอยากได้หน้าอะว่าหน้าของเจ้าของมันก็ จ, กจดจออยู่หันเป็นว่าอุปทานจดจอในหน้าของกูถึงบ้านของกูสม บ, บัติอันนี้ของกูจดจอ ว่าอุปทานมันจดจอนะเรียกว่าพบนะข้มจดจอเป็นเป็นพบเนี่ยอุปทานข้อมพอแย่ยึดมันก็เป็นพบเป็นข้อมเกิดอยู่ในจุดนั้นมื่มีพบจดจอมันก็มีชาติชาติการเกิดเพราะอุปทานสัมปะยุด เป็นเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ตามอุปทานไปยุไปสัมปยุทธ์นั่นเรียก ว, <อ>ว่ากรรมร่รวมมากว่าเป็นกรรมกรรมในจิตอุปทานกรรมเจาะๆอยู่ในบวกในสาตายก็คือเป็นองกบก็เฝ้าสาเพือ่ออุท่าหอนเพลน สาทกไว้ในบ้านนั้นมีพอ่อมีแมแ่มีลูก้ายสามคนใต้คุ้ยหยคุกกลางคุณน้อยพ่อนี่ยขยันทำหน้าสาวหน้าคุดหน้าคุดเรียกว่าบุกเบิกหน้าโบราณขยัน จดจ อ, อยกับหน้าแม่เนี่ยมีสวนกล่วยสวนม่อนล้อล้อบานเป็นสวนพวั่งเรียงมอนแม่เก็บมอนเรียงมอนเกี่ยมอนสาวไหม้นันก็จด จ, จออยู่นผู้ลูกไส้ <c oughs> ลูกไส้ผู้ใหญ่นี่ยจออกเยี่ยนมีครอบพุ่ว ใส่ผู้กลางออกบวช้สยผู้น้อยยังอยู่ก็พอกับแมนะตอมาผู้ออกบวชกับออกบวชภาวนา <c oughs> จเจริญธรรมะจนกำลังสติสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาเกิดญาณอัตสระรูอดีตอนาคตรู ยุติได้ปฏิสนธิได้พ <c oughs> ันยวติอรมานี่ยผู้ น, น้องไส้ <c oughs> นี่สาห น, น้ามีนาบ้าจดจออยู่น้องไส้ตาย ได้มาเกิดเป็นกบเ ป, บเป่าสาเพราะมันสัมปยุตอยู่กับสะน้าบอ่อนาเป็นกบลูกต่อมาแม่ตายคิดน้ํำลูกหลายคิดใจหอมตอมแม่ก็ตายเห็แม่ตายเนี่ยก็เกิดเป็นงูเป็นงูเหลี่ยมอยู่ในสวนหมอนเป่าสวนหมอนเนี่ยฮะ นีต่อมาพ่อตายพ่อตายเป็นหมูเป็นหมูปลาอยู่หัวหน้าคนสทาว่าแล้วคุดคนบาเสร็จแล้นี่ผุ้แม่เนี่ยว่าเจ้าของเป็นเจ้าของสวนเจ้าของบ้านเลื่อยลงไปสำรวจตวจัตวตาสะหนามว่าน้ำ ลูกใต้น้อยเคยเป็นกบเห็นงง่มากห่วงเต่นขม่าธรรมดากบมันจะย่านโง่เ น, นี้มันว่าย่านนี้มันห่วงหวงทีโง่ก็ได้กินกบคืนเข้าไปในทองอันนี้ออกจากบ้านเลื่อยออกไปทั้งหน้าไปตำรวจตัวตาดูหน้าผู้พอเป็นหมูป้าอยโ่ก หัวหน้าเห็นงูมากกัดงูคาบงูพื้นงูเขาไปเ น, นื้อทองโคที่ไส้ไงเนี่ยนั่งอยู่กับฟอกับแม่เห็นหมูปลามาอยู่หัวหน้าไปดักยิงหมูปลาที่หมูปลาตายนิ่กังขึ้นยิ่งมดเจ้าออกไปหาน่องไส้สิ ม, มุดน้องไส้มาสันหลับหมูปลา คุณน้องไส้คุณจ่ากระเรียนคุณอยู่ลเลยบอกว่าโอ้โอสเอิเดี๋ยวไปเตรียมไว้แล้วจะบอกไปเตรียมไว้นี่หมูปลาตายแล้วก็เตรียมไว้ไปเตรียมล่างเตรียมอันนี้ไว้เดี๋ยวจะพึ่งซ้าแหละเดี๋วจะออกไปพ่อคุณน้องไายเป็นผ่านออกไปกบอกว่าหมูเนี่ย ตะกอนเป็นพอเป็นพอของเราเนีคิดห่วงอยู่กับหน้านตายเมื่อเกิดเป็นหมูปา่าในี่ท้องหมูจะมีงูงูน่ยเป็นแม่แม่ห่วงสวนม่อนห่วงบ้านห่วงสวนม่อนตายเมื่อเกิดเป็นงูงูอยู่ในท้องหมูหมูกินงูในี่ท้องงูจะมีกบอีกตัวนึ่ะ ครบหนึ่นคนือน้องไส้ตายแล้วก็เกิดเป็นครบยุษะนาบ้านถ้าไม่เชื่อก็ล่องซ้ำแหลออกดูซ้ำแหละปาด ท, ทองหม่วงเห็นงูอยู่ในท้องหมูเอาเอางูมาปาด ท, ทองมูเห็นครบรอยู่ในทองงูเนี่ยพยาหันข้อมจร <c oughs> นี่เรียกว่าวัตะสองสารหรือกรรมวัตร ของจิตวิญญาณเนี่ยไม่ป้องห่วงอะไรจะต้องไปสัมประยุทธ์กับสิ่งนั้นวิธีใา้ง่างยางอย่อยเปลด่ยน้อมเหลี่ยมใสในธรรมะครมสอนของพระพุทธเจ้าคทธศาสนาเนี่ยสามารถรู้ข้อมจรู้ของจริงรู้เหตุรู้ผลของพบชาติกาเรเมื่อนไหวตายเกิด ต้องได้มีความเหลีย่ยมใสจยใจน้อมใจเชื่อจ้องได้ทำบุญทำท่านก็คือทำปฏิบัติธรรมตอต่อผู้พิสัยอะไรเนี่ยเป็นสัน้นเพราะจังว่าเอาผุโ้โทษเอาสิรหาเป็นเครื่องกันเป็นเครื่องกันท่างไปสู่ภูมิที่ตำคือภูมิของ สัตว์โดยสารเป็ดสุรกายสัตว์โดยสารสัตว์นรกเป็นภูมิที่ฐิทัณฑ์ในยาปฏิบัติมีใจมีพุทธโธมีสติมีปัญญามีข้อมละอายต่อบาปทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลเรียกว่าศีลนี่แหะปิดกัน้นอบายะภูมิภูมิที่ ทุกทรมานทั้งหลายได้แล้าให้รักษาศีลภาวนาเป็นการเจริญปัญญาจิตที่จะมีปัญญาแกมแจงต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิแล้ว <c> ใ <oughs> ห้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เมื่อมันมีกำลังมันก็ร่วมเป็นพลังจิต กุบาอาจารย์ทุบใส่ต่อสู่ก็พระลั่งจิตพลั่งหลึกหลับอย่างอื่นก็ต้องอาศัยสมาธิแน่วแน่มันคงมันยังมันยังสู่เขาได้ผีผีมันจวมาเอ็ดมาขามาเนื้พุทธโทษคำเดียวเลนมันเลยญานสะทกสะทาน เหมือนกับถูกไฟเผาเหมือนกับถูก น, น้ำร้อนลวกมันนี่พลังพุทธโธอันนี้อันนี้ในส่วนสมมุตในนอ ย, น, อยนี้ผมกูพูดคนยังเทศแตกก่อนว่าพุทธโธนี่หายตัวก็ได้สมัยเขาเขาก็คอเขาจิตค่อยจอบค่อยสกัดชุม่มยิ่งตำรวจ ตำรวจพวกหน่งชี้มั่วจะได้ไปตรวจการแต่ว่าภาวนาพุโทโธพุธโทโธแน่แน่ ใ, นใจตำรวจพวกน่ะบ่เผลอเรียกว่ามีสมาธิมันกับพุโทโธพุธโทโธคือกลมกลืนกันชี้มั่วไดมากพวกสุ่มอยู่นนี่ว่าเห็นแต่เว่าหายตัวได้เขาเขาฮู้ยวันสิมานีละ่กะกับพานมาที่นั่นจริงๆละ่ะแต่วันาภาวนาพุโทโธ เขาเลยพอเห็นเขาไม่ได้ยิ่งไม่ได้ขานี่ฉันเลยว่าพุทธโธ่หายตัวก็ได้นี้จะถูนกกีจกทุกจากโลกได้เขาสู้นิพพานได้โดยคาว่าพุทธโธษอันเดียวใน้น้อยนี่แหละไม่ได้มีอย่างมากไม่เพื่อทำให้จริงพุทธโธษ แ, แน่วแน่กับใจสติจดจอจนเป็นความตั้งมั่นคง อันะ่ะมันจะโล่งถึงความจริงโล่งถึงถ้ำวความแจมแจงมันจะเกิดเมื่อคิดมันถอนตัวออกจากสิ่งปิดบังคืออาสว่าแหละก็เหมือนกันครับดวงอาทิตย์ที่ก้อนเมฆปิดบังล้อยผ่านไปแสงมันก็จะสาด่องแจมแจงเจอจ้าเต็มที่ ที่มันมั่วที่ว่ามันมั่วม่วเมื่อนเมื่เพราะมันมีสิ้นที่ห่อห่มปิดบังอยู่คิดใจเฮาขึ้นกันเพาะฉนั้นจึงว่าเอาพุดโทเป็นค่ำระลึกเป็นค่ำกำหนดลูกแนบสนิทกับใจจนเป็นปัจจุบันเนจึงว่าเป็นหนึ่งจึงว่ามักกรซุ่มร่วม ล, ง, ลงสู่ข้อมเป็นหนึ่ง กันหนึ่งเดียวในฟุตโต้นหนึ่งเดียวในข้อมรูข้อมเกดจอแนวแน่นั่นยิน่งจะเกิดยาณ น, นัทธสนาเพราะ อ, อาศัยอำนาจของสติสมาธิคือความแจมแจงนั่นแหละคข้ามาเกิดยาณ น, นัทัศนะเมื่อข้อมเมิดมันสิ้นสุดไปเมื่อจิตมีมัน ถีบตัวออกจากสิ่งที่ปกพุ่มอยู่เหนือเป็นอิสระเหนือสิ่งทั้งหลายแลหละเรียกว่าเกิดญาณที่พ่อมลูแกแจงเห็นจริงอั่นจึงหมดอำนาจของข้อเมิดข้อลงที่จะทําให้เป็นทุกข์ทำให้ยึดให้ปิดที่เป็นอุปทาน มันยังสิ้นสุดลงด้วยญาณทัศนะทั้งรูจริงทั้งเห็นความจริงตามเป็นจริงถึงจิตถึงใจเห็นเกิดแก่เก็บตายนิจังทุกครั้งหน้าตาตามสภาวะธรรมทั้งความเป็นจริงท่านทึ้งพ้นจะทุกได้ด้วยพุทธโธด้วยศีลด้วยภาวนา อ๋อเอานั่นละแนวแน่ฮะอาละ